เนจักขูควรรู้ยิ่งด้วยนะตัวจักขูนี้เป็นทั้งอภินัยยธรรมเป็นทั้งปริญยยธรรมเป็นธรรมะที่ควรรอบรู้เป็นปหาตปธรรมเป็นธรรมะที่ควรละเป็นสัจชิกาตปธรรมเป็นธรรมะที่ควรทําให้แจ้งเนี่ยนะแล้วก็เจริญกุศลเพื่อรอบรู้ในจักขูทั้งหมดเนี่ยคันจักขูนี้เป็นธรรมะที่น่าศึกษาให้เรียนรู้ถ้าเข้าใจสักอย่างเดียว ธรรมะหมวดอื่นๆก็พอได้ในนะในในก็ไปสอบทานไปเทียบเคียงเอาทีนี้กุศลธรรมอย่างอื่นต่อไปอีกนะอย่างธาตุเนี่ยนะจักขุู่ธาตุหรือว่าจักขุนซีที่เรียกว่าจักขุนซีเพราะว่าเขาเป็นใหญ่แห่งการแห่งการเกิดขึ้นของจักขุูทวารวิถีจิตทั้งหมดนะ จักรุทวันวิถีจะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีจกัก ร, รุป萨ทะรูปเนี่ยนะฮั้นพวกนี้ก็สามารถประชุมลงอริยสัจได้หมดเลยหรือว่ากามาพบเนี่ยนะพบสามมีกามาพบเป็นต้นก็ประชุมลงอริยสัจอีกหรือว่าสัญญาพบเป็นต้นเนี่ยนะสัญญาพบก็หมายถึงกามาวจรูรปาวจรเป็นต้นนั่นแหละที่เวนอสัญญสาสตา นนกนะกเวเนวสัญญาอย่างนี้เขาเรียกว่าสัญญาภพนะอสัญญาสตาเป็นอสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญาจตนะเนี่ยแต่ว่าสรุปแล้วในภพทั้งหลายเหล่านั้นก็ประชุมอริยสัตว์ลงไปในทุกภพโอ้เหมือนดาวเลยเนาะเยอะแยะไปหมดเลยกว้างขวางเลยเกินเนี่นะ หรือว่าเอกวการพบจตุโวการพบปัญจโวการพบก็สา ม, มารถที่จะประชุมลงอริยสัจได้อกีกหรือว่าฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานฌานแต่ละฌานก็ประชุมลงอริยสัจได้อวิชา น, นิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้ก็ประชุมลงอริยสัจได้อกีกปฐมฌานหรือข้อธาคามินีปฏิปทา หรือเอาเมตาก็ได้นะเมตตาเมตตาสมุทัยเมตานิโรธเมตานิโรธาคามินีปฏิปทาสงเคราะห์อัปปมัญญาแต่ละยงลง อ, ยยอย่างลงอริยสัจเนี่ยนะหรือว่าอรูปสมาบัติเนี่ยนะอากาศสานัญจายตนะประชุมอากาศสานัญจายตนะลงอริยสัจอีกอี่นะปฏิจจสมุปบาทนับตั้งแต่อวิชชา สังขารวิญญาณนามรูปเนี่ยนะอวิชาก็ประชุมลงอวิชาอาวิชาสมุทยัยอวิชานิโรธอวิชานิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้ก็ประชุมลงอริยสัจได้อีกหรือข้อสุดท้ายเลยก็คือชรามรณะเนี่ยนะท่านก็เลยยกตัวอย่างว่าชรามรณะอย่างไงชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรธชรามรณะนิโรธคามินีปฏิปทา คําคว่าชราและมรณะนั้นหมายถึงวิบากและกรรมชรูปนะที่ชรามรณะเนี่ยนะเป็นชื่อของวิบากและกรรมชรูปนันตัวชรามรณะหรือวิบากกรรมชรูปนั้นนะมีชาติเป็นสมทุทัยนะนะความไม่เป็นไปแห่งชรามรณะและชาติทั้งสองเป็นนิโรธสัจจ์ปฏิปทาที่เป็นเหตุนิโรธ หรือในพานัลเป็นมักขสัตย์เนี่ยนะเออรู้ความแก่นี่ก็ขอรู้ให้จริงเถอะนะแต่รู้ความแก่จริงนี่ก็พ้นทุกข์ได้เหมือนกันใช่ไหมรู้ฟันสัอย่างเนี่ยรู้ฟันก็รู้ให้จริงๆริงเะก็พ้นทุกข์ได้นะรู้ผมรู้ขนรู้เล็บรู้ฟันรู้หนังรู้เนื้อรู้กระดูกเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละอย่างถ้ารู้จริงก็ประชุมอริยสัตว์ลงในทุกๆอย่างนั่นแหละถ้าประชุมลงอริยสัตว์ในทุกๆอย่างได้ก็ รู้จักหนทางที่พระองค์ได้ทรงแสดงแล้วละ่ะแต่ถ้าแต่ละอย่างประชุมลงอริยสัจไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่เห็นหนทางแห่งคําสอนเลยว่าคําสอนสอนเพื่ออะไรจบที่ไหนจบอย่างไรเป็นต้นงนั้นถ้าหากว่าเรามีความรู้ความเข้าใจสา ม, มารถที่ประชุมสภาวะธรรมเหล่านั้นๆแต่ละบทแต่ละบทลงอริยสัจได้ เมื่อนั้นแหละเราจะทราบซึ้งในคำว่าพุโทโธสัมมาสัมพุโทโธธรรมะเหล่านี้พระ อ, องค์ทรงรู้แจ้งเห็นจริงด้วยพระ อ, องค์เองโดยถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนไม่ผิดพลาดแม้แต่ปลายเส้นผมว่างั้นแม้แต่ปลายเข็มเนี่ยนะอันนี้เป็นบทว่าสัมมาสัมพุโทโธนะมียี่สิบหกหัวข้อย่่ใหญ่ ยี่หัวข้อใหญ่ๆเ ห, หล่านี้ก็ประชุมลงอริยสัจนะว่างๆก็นั่งตรึกนะว่างๆก็นั่งต้องรอให้ว่างก่อนนั่งตรึกหรือว่าหาเวลาจนว่างเพื่อนั่งตรึกนะพระองค์แสดงว่าพึงสละสุขพอประมาณใช่ไหมเพราะเห็นสุขอันภัยบูรณ์เขาว่างั้น อง์เล่าว่าพระองค์นี้อดีตชาติเสียสละความสุขเล็กน้อยบางส่วนแล้วก็ถอนหญ้ารอบบริเวณพระเจดีย์เอาทรายมาเกลี่ยเอาน้ำมาพระพรมสละผ้าที่มานั่นแหละมาผูกเป็นธงยกบูชาพระเจดีย์ก็บอกว่านั่นพระองค์สละสุขแต่พอประมาณทีนี้ตอนหลังโววิบากแห่งสุขเหล่านั้นใหญ่โตแล้วเกินว่า้น อันการศึกษาพระธรรมคำํำสอนก็ต้องลักษณะเดียวกันนั่นแหละเราก็ต้องปล้าสละสุขที่ก็น่าจะใกล้ถึงความจริงเหมือนกันนะรังเกียจบาปรังเกียจอกุศลเพราะว่าถ้าหากว่าเรายอมเสีย น, นั้นละความสุขบางส่วนได้สละความเพลิดเพลินบางอย่างออกไปแล้วก็ให้มีจิตใจมุ่งมั่นอยู่กับคําสอนเชื่อว่าทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม อันท่าหากว่าเรามีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมคำสอนอย่างดีแล้วพระธรรมคำสอนจะตามปกปักรักษาส่วนใหญ่เราให้จากให้พระธรรมรักษาร่างกายนะอย่าได้บุบสลายเลยแนั้นแต่ว่าใจเป็นอกุศลไม่เป็นไรทีนี้เมื่อไรนะเราจะนึกว่าขอให้พระธรรมคุ้มครองใจอย่าให้เป็นบาปเป็นอกุศลเลยนะก็น่าจะใกล้ถึงความจริงเหมือนกันนะรังเกียจบาปรังเกียจอกุศลเพราะว่า บาปอากุศลเหล่านั้นะเป็นเหตุแห่งวัตรทุกข์เป็นเหตุแห่งกองทุกข์ที่จะมีต่อไปในอนาคตทํำยังไงเนาะพอทำคำําสอนเหล่านั้นจริงจะมาปกปักรักษาคุ้มครองจิตไม่ให้จิตนี้เป็นไปกับบาปเป็นไปกับอกุศลเป็นไปกับสิ่งที่มีโทษไม่ได้เป็นประโยชน์ทั้งภพนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์ทั้งภพหน้าไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งภพทั้งสองเลยในภพนไหน บาปอากุศลก็ไม่ได้ช่วยเกื้อกูลให้ได้รับความสุขอะไรหรอกแต่ความสนุกมันก็เกิดขึ้นบ้างเป็นครั้งคราวแต่ความสุขเหล่านั้นพระองค์บอกว่ามีโทษนะมีโทษเหมือนกับการท่านบอกว่าการมาสุขก็เหมือนกับเลียน้ำผึ้งที่ที่ปลายที่ที่อาบกับมีดโกนเนี่ยนะนะมันก็หวานเหมือนกัน น, นะนะ แต่ว่าความหวานอันนั้นเนี่ยลิ้นเนี่ยบาดเข้าไปลึกแล้วนะเหลียทีหนึ่งชิวหาวินชิวหา ป, ประษาทะก็ได้แตะรดน้ํำพึ่งหน่อยแต่กายภาษาทะบาดลึกเข้าไปแล้วหลายคนก็เป็นลักษณะนั้นนั่นแหละไม่เห็นโทษของกลามเมื่อไม่เห็นโทษของกลามก็เสาะแสวงหาเพลดิดเพลินสนุกสนานบริโภคยังไม่ทันอิ่มเลยลิ้นขาดไปแล้ว อะไรยังไม่ทันอิ่มเลยนะลิ้นขาดหลุดร่วงไปแล้วคนทั้งหลายที่บริโภคกามก็ลักษณะนั้นถ้าเขาไม่จากกามกามก็ต้องจากเขามีอะไรเนี่ยนะถ้าเราไม่จากเขาก็จากเราเทั้งนั้นแหละโลกนี้ก็มีอยู่เท่านั้นแต่จากเนี่ยแน่ที่แรกเลยนะเบนก็ไม่ได้ตัวโตวเท่านี้นใช่ไหมปีก่อนนั้นเล็กตัวเล็กกว่า น, นี้ตั้งเยอะนี่นั่นก็จาก ความเป็นเด็กไปแล้วนะนะนะีนะ่ใกล้จะเป็นหนุ่มแล้วเดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวก็ต้องตากวัยอันนี้ไปเป็นคนหนุ่มแล้วเนาะมันก็ต้องจากไปเรื่อยๆคนเขาสำคัญว่านั่นบุตรของเรานั่นทรัพย์ของเราเขาบอกว่าตนของตนก็ยังไม่มีเลยเนาะบุตรและทรัพย์จะมีแต่ที่ไหนนะถ้าอย่างเราเราไล่ไล่ดูนะในร่างกายในะอัตภาพเราเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะ เส้นผมเนี่ยถ้ายิ่งพระภิกษุแล้วเอาเส้นผมเป็นประมาณอ่าเดี๋ยวโกนทิ้งอีกแล้วเดี๋ยวโกนทิ้งอีกแล้วผิวหนังก็ไม่เด่นหนังก็ลอกออกมาเรื่อยๆลอกออกมาเรื่อยๆร่างกายข้างในมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอาหารใหม่เข้าไปอาหารเก่าไล่ถ่ายไปมันหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปก็บอกว่าตนของตนก็ยังไม่มีเลยนะแล้วปุดและสัต์จากมีแต่ที่ไหนอเอาเขาเบียงนั่นแหละ ไ, ได้ปัจจัยมันก็เกิดไม่มีปัจจัยมันก็ไม่มีทำได้ที่ไหนอ่ะ ล lugar, ืมตาได้เก <Oi> ิดจากตาไม่ได้เกิดจากสีไม่ได้เกิดในระหว่างตาและสีแต่อาศัยตากับสีธรรมมีภาษะจึงเกิดขึ้นเนี่ยธรรมะธรรมมีภาษาเวทนาสัญญาเจตนาจานเสียงอ่ะตั้งแต่เช้ามาจรดเย็นแล้วเปลี่ยนไปกี่ความคิดแล้วล่ะก็บอกว่าคนที่สําคัญมารูปร่างกายเที่ยงยังจะพอพอเป็นจริงได้บ้างว่างั้นเถอะเพราะอะไรฮะ บางคนอยู่ห้สิปีหกสิปีร้อยปีร้อยกว่าปีก็ยังพอมีได้แต่ถ้าบอกว่าใจเที่ยงเนี่ยโอ๊ยแต่ก็เต็มทีเลยนะใจมันก็เหมือนกับเสียงนั่นแหละ ไ, ได้ปัจจัยมันก็เกิดไม่มีปัจจัยมันก็ไม่มีธรรมะทั้งหลายมีปั菩 ะ, ะเป็นที่ห้าไม่ได้เกิดจากตาไม่ได้เกิดจากสีไม่ได้เกิดในระหว่างตาและสีแต่อาศัยตากับสีธรรมะมี菩 ะ, ะจึงเกิดขึ้นเนะี่ย ธรรม ะ, ะ, ม, ะมีภาษาเวทนาสัญญาเจตนาจิตก็เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยแม้แต่ความคิดเนี่ยนะทุกๆ ท, ทวารเลยนะถ้ายังอารามา ย, ยังไม่พูดเนี่ยให้เราคิดรอเสียงนั้นเลยได้ไหมให้โสตวิญญาณเนี่ยเกิดขึ้นรับเสียงเลยไม่ได้คือรับเสียงอารามาพูดนะแต่ไปรับเสียงจิ้งหรีดเสียงอย่างอื่นรับได้แต่ไม่สา ม, มารถเขาไม่ได้เกิดรอเลยนะ เขาได้ปัจจัยความคิดนั้นก็เกิดอายกตัวอย่างว่าตอนนี้เนี่ยถามว่าเรามีความโกรธไหมอ้าวไม่มีขณะนี้ไม่มีนะแต่ถ้าได้ปัจจัยความโกรธเกิดไหมเกิดแต่ว่าขณะนี้ไม่เกิดเพราะไม่มีปัจจัยอ่ความโกรธก็เกิดร่วมกับจิตชนิดหนึ่งเหมือนกันความโลภก็เกิดร่วมกับจิตชนิดหนึ่งเหมือนกันงั้นความคิดไม่ได้เกิดรอ เนี่ยไม่ได้แช่ไว้เลยถ้าได้ปัจจัยเขาก็เกิดแต่ละทาาวารแต่ละทาาวารแต่ทีนี้จิตที่เกิดขึ้นแต่ละทาาวารเราก็มาวิจัยต่อไปว่าจิตไหนเป็นกุศลอกุศลและวิบากอันไหนเป็นกิริยาในทาาวารตาใช่ก็แยกออกมาจิตไหนเป็นกุศลอกุศลวิบากกิริยาในทาาวารโหจิตไหนที่เป็นกุศลอกุศลและวิบากในเกิดในทาาวารจมูก จิตไหนที่เป็นกุศลอกุศลวิบากกิริยาที่เกิดในทวารลิ้นจิตไหนที่เป็นกุศลอกุศลวิบากกิริยาที่เกิดในทวารกายจิตไหนเป็นกุศลอกุศลวิบากและกิริยาที่เกิดในทวารใจถ้าทวารตานปัญจทวาราวัชนะที่รำพึงถึงอารมณ์เนี่ยนะปัญจทวาราวัชนะที่รำพึงครั้งแรกหาอารมณ์นั้น่ะเป็นจิตชาติกิริยา นั่นในั้นใครที่รำพึงถึงอารมณ์ทางตาเป็นต้นนั้นเป็นจิตชาติกิริยากล่าวไม่ได้ว่าเป็นกุศลอกุศลและไม่ได้เกิดจากวิบากแห่งกรรมใดๆสักอย่าแต่พอเห็นจิตในขณะเห็นเป็นชาติวิบากสีเป็นตัวกําหนดว่ า, ากุศลหรืออกุศลวิบากถ้าสีที่ไม่ดีที่เห็นอกุศลวิบากแน่จิตเห็นอันนั้นถ้าหากว่าสีที่ดีก็เป็น กุศลวิบากสัมปติชนะสันติรณะถ้าจักขูวิญญาณเป็นกุศลวิบากสัมปติชันะสันติรณะก็เป็นกุศลวิบากไปด้วยเนี่ยนะถ้าเป็นอกุศลวิบากถ้าจักขูวิญญาณเป็นอกุศลวิบากสัมปติชันะสันติรณะก็เป็นอกุศลวิบากไปด้วยอกุศลวิบากส่วนใหญ่ต่อให้เกิดโทสะเนี่ยนะถ้ากุศลวิบากนิบาตนรกเนี่ยนะ มากเท่ากับแผ่นดินใหญ่แบบนั้นที่ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เหมือนกับฝุ่นในในเล็บของพระ อ, องค์นั่นแหละน้อยอย่างนั้นทีนี้เราก็ถามว่าเรานี่สมควรจะเป็นฝุ่นหรือเป็นแผ่นดินแต่ทานศีลและภาวนาถ้าของเราก็คือเมื่อเห็นแล้วปลารบเป็นไปกับคําสอนเมื่อไร่ขณะนั้นกุศลจิตจึงจะเกิดแตนถ้าเราหลงลืมนึกถึงคําสอนไม่ได้เลยแมย้แต่อย่างเดียว ยากนะักที่กุศลจิตจะเกิดถ้ากุศลจิตไม่เกิดแล้วก็เจริญกรุณาให้ได้เลยเขาบอกว่าฝุ่นในแผ่นฝุ่นในเล็บกับแผ่นดินใหญ่ประางนั้นนะพระ อ, องค์บอกว่าเลยว่าสาสตร์ทางลายที่ไปสู่อบายทุคติวินิบาตนรกเนี่ยนะมากเท่ากับแผ่นดินใหญ่ประมาณนั้นที่ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เหมือนกับฝุ่นในในเล็บของพระ อ, องค์นั่นแหละน้อยอย่างนั้น ทีนี้เราก็ถามว่าเรานี่สมควรจะเป็นฝุ่นหรือเป็นแผ่นดินแต่ปกติส่วนใหญ่ก็บอกเป็นแผ่นดินแน่นอะนแต่ขอเป็นฝุ่นได้ไหมสมทานที่จะเป็นฝุ่นได้เนะเพราะว่าบุคคลผู้ประกอบไปด้วยศรัทธาศีล ส, สุตะจาระปัญญาก็ตั้งเป้าหมายได้แล้วใช่ไหมขยันทำรรมาหากินอาบเหงื่อตางนา้าโหสะสมประหยัดมัธยั ต, ยตใช้จ่ายไม่สูร้รวยสุราสามารถที่จะซื้อบ้านอยู่สักหลังได้ไหม ก็ต้องได้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะใช้สอยถูกหลักชีวิตของเราทั้งหลายก็ลักษณะกันถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตถูกหลักดำเนินชีวิตถูกต้องอย่างไรก็ไปดีเพราะไปดีไปร้ายอะไรเป็นเครื่องนำไปอะไรเป็นเครื่องนำไปดีและไปชั่วความคิดเรานั่นแหละจะพาไปดีหรือไปชั่วถ้าจิตเศร้าหมองทุกขติหวังได้ถ้าจิตผ่องใส สุขติหวังได้เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ใจของเรานั่นแหละทีนี้ทํำยังไงที่จะฟอกใจให้เป็นไปกับกุศลให้มากมากฉะนั้นการฝึกใจให้เป็นไปกับกุศลมากๆนั้นน่ะน่าเป็นเรื่องที่น่าศึกษามากสําหรับพุทธศาสนิกชนก็คือการศึกษาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เกิดความรู้ความเข้าใจายอย่างท่องแท้ เมื่อมีความรู้ความเข้าใจในคุณของพระองค์ได้อย่างถ่องแท้แล้วก็หมั่นตามระลึกนึกถึงพระคุณต่างๆเนี่ยนะพระคุณต่างๆที่มีอยู่ในพระองค์แม้แต่สัมมาสามผู้โทเนี่ยนะนั่งตรึกถึงคุณอย่างนี้เนี่ยนะโอ้สามชั่วโมงก็คงไม่จบมั้งนะนั่งค่อยๆไล่เลยนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละบทแต่ละบทแต่ละบทประชุมมารยาศัพท์ลงไปทุกบทเนี่ยนะสงเคราะห์ว่าธรรมะนี้ควรรู้ยิง่งควรกําหนดรู้ควรละควรเจริญควรทําให้แจ้ง ประชุมลงในทุกๆบทเลยเนี่ยนะตั้งกับหัวจรดเท้าของเราเนี่ยนั่งทุกอย่างประชุมลงให้หมดเลยเนี่ยโอ้จะเห็นพุทธคุณทราบซึ่งในบทว่าสัมมาสัมพุทโธอย่างมากนะหรือถ้าเจริญบทว่าอรหัง11ความหมายก็นึกความหมายแต่ละความหมายเนี่ยมีความหมายกว้างแคบขนาดไหนก็หาข้อมูลต่อไปเพื่อเอามาตรึกเอามาพิจารณาเอามาตามระลึกแบบนั้นเถอะเป็นอนุสตินะนี่เป็นกรรมฐานนะ ในกรรมฐานสี่สิบด้วยเรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐานด้วยและคนที่เจริญกรรมฐานนี้มากๆก็จะมั่นคงในคุณของพระพุทธเจ้าทีนี้เมื่อมั่นคงในพระพุทธเจ้าอย่างไ้แล้วคําสอนที่พระองค์สอนอย่างไรเราก็มีศรัทธาที่จะปฏิบัติตามถึงปฏิบัติตามไม่ได้ก็มีศรัทธาเน่ ก็เหมือนกับเราเห็นกกขมทรัพย์ขุมหนึ่งซึ่งมันเป็นกองใหญ่โตเลยเนี่ยนะถึงเราเอามาใช้ไม่ได้แต่ก็รู้สึกยินดีด้วยใช่ไหมนั่นแหละพระธรรมคาสอนก็เหมือนกันพระธรรมถึงลึกซึ้งยังมองไม่เห็นยังไม่แทงตลอดแต่ก็มีศรัทธาในคําสอนนั้นๆได้อันศรัทธาที่มีในคําสอนเป็นต้นของเราสิ่งนี้ก็เป็นทรัพย์ถ้าขวนควายที่จะฟังที่จะพิจารณา อันนี้ก็เป็นซับคือสุตะเป็นต้นเนี่ยนะถ้าหากว่าซับเหล่านี้ก็เกื้อกูลให้เกิดเ ฮ, ร, ฮริโอตาปะพันซับคือเฮริโอตาปะก็จะเกิดขึ้นเนี่ยนะอริยซับอย่างอื่นก็จะพอกพูนเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลอันะชีวิตของคนที่มากไปด้วยซับเหล่านี้ก็ไม่ชื่อว่าเป็นคนขัดสนแล้วเนี่ยนะไม่ใช่คนขัดสนทีนี้ต่อไปนะว่า คุณของพระพุทธเจ้าบทต่อไปคือบทว่าวิชาจรณะสัมปันโนทรงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณะวิชานั้นได้แก่วิชาแปดนะบางทีก็วิชาสามถ้านับวิชาสามก็คื อ, อวิชาว่าด้วยปุเพนิวาสานุสติยานที่พระจักขุและอสวรขยญาณ แต่ถ้าเพิ่มเข้ามาอีกก็เป็นวิชา8ดเฉพาะตรงนี้กล่าวถึงวิชา8ในคลุมกว้างขวางดีวิชา8ดนั้นวิชาแรกก็คือวิปัสสนาญาณวิชาวิปัสสนาญาณนี้มีในพระผู้มีพระภาคเจ้าวิปัสสนาญาณทุกแง่ทุกมุมรู้อย่างละเอียดแตกชานนะพระอริยอื่นๆจะพิจารณาวิปัสนา บางแง่บางมุมเท่านั้นแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยพิจารณาโดยทุกส่วนไม่มีเหลือแม้แต่นิดเดียวทุกแง่ทุกมุมดงนั้นคำว่าวิปัสสนาญาณก็คือญาณในวิปัสสนานั่นเองหรือว่าญาณที่เป็นวิปัสสนานะคำว่าวิปัสสนาเนี่ยแปลว่าเห็นแจ้งคำว่าญาณนี่เป็นความรู้ความรู้ที่เห็นแจ้ง คือปัญญาที่พิจารณาเห็นสังขารคือนามรูปเนี่ยนะโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกซ้อนเป็นความลำบากเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งวิปัสสนาญาณก็มีต่างการเป็นชั้นๆตามลาดับไปส่วนใหญ่ที่พบนะวิปัสสนาญาณก็จะใช้ตั้งแต่สัมมสนาญาณอุทยพยายาังพังขยานพยตูปทานญาณ อารีนวายานนิพิทายานสังขารุเปกขายานมุนจิตุกรรมมยตาญาณเป็นต้นเนี่ยพวกญาณเหล่านี้จึงเรียกว่าวิปัสนาญาณอันวิปัสนาญาณเหล่านั้นพระองค์นี่มีมากมายมหาศารกว้างขวางลึกซึ้งประนิดประณิดเนีย่ยนะแล้วก็พระองค์นี่พิจารณาทั้งหมดเลยไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่ได้พิจารณาอันท่าพระมหาสาวกก็พิจารณาเป็นบางส่วน แต่ว่าพระพุทธเจ้านี่พิจารณากว้างขวางมากอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนาญาณส่วนรายละเอียดในเรื่องวิปัสสนาญาณ น, นั้นเราควรที่จะหาข้อมูลศึกษาให้กว้างขวางกันต่อไปยกตัวอย่างนะคมภี